ฐานะสมโภชชาชีวประวัติหลวงปู่ชอบฐานะสมโภตอนที่หนึ่งชาติภูมิพระคุณเจ้าหลวงปู่ชอบฐานะสมโภมีชาติกำเนิดในสกุลแก้วสุวรรณเดิมชื่อ บ, บอกเกิดเมื่อวันที่สิบสองกุมภาพันธ์พุทธศักราชสองพันสี่ร้อยสี่สิบสี่ตรงกับวันพุธขึ้นห้าค่ำเดือนสาม ปีฉลูน้บ้านโคกมนตำบลผาน้อยอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยโยมบิดาชื่อหมอโยมมารดาชื่อพิลาท่านมีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันสี่คนเป็นชายสองคนเป็นหญิงสองคนมีชื่อเรียงกันตามลำดับคือหนึ่งตัวท่านสองน้องสาว ชื่อพารแก้วสุวรรณสามน้องสาวชื่อแดงแก้วสุวรรณสี่น้องชายชุดท้องชื่อศรนแก้วสุวรรณทั้นน้องสาวและน้องชายรวมสามคนนี้ปัจจุบันถึงแก่กรรมไปตามการและเวลาหมดแล้วโยมบิดามารดาเล่าให้ท่านฟังว่าบรรพบรุษต้นตระกูลของท่านนั้นเดิมมีถินฐานบ้านเรือนอยู่ที่ อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยมีอาชีพหลักคือการทำนาแต่โดยพื้นที่เป็นภูเขาเป็นส่วนใหญ่การทำนาต้องอาศัยไหล่เขายกดินเป็นขั้นบันไดเป็นชั้นๆไปจึงจะปลูกข้าวได้แม้จะโรงแรงทำงานหาเลี้ยงกันอย่างไม่ยอมเหนื่อยต้องทำไร่ตามดอยเพิ่มเติมแต่ก็ไม่ค่อยพอปากพอท้องโดยเฉพาะบางปี ถ้าฝนแห้งแลง้งเข้าไม่เป็นผลพืชล้มตายโคตยากแพรนแขนจึงได้คิดโยกย้ายไปสแสวงหาถิ่นทำกินใหม่ซึ่งจะเป็นที่ราบลุ่มอันไม่เป็นที่ดอยที่เขาเช่นตะกอประกูลของท่านพากันอบพยพหนีความพัตคัดฝึดเครืองมาหาภูมิลำเนาใหม่ผ่านหุบเหวภูเขาสูงของอำเภอแดานาย ผ่านป่าดงพงทึบของผู้เรือผู้ฟ้าผู้หลวงได้มาพบชัยภูใหม่เหมาะคือที่บ้านโคกมนตมบนผาน้อยอำเภอวังสะพุงยังจะที่รกร้างว่างเปล่าใกล้หุบผู้วยหมอก ก, การเพราะปลูกจึงช่วยกันหากลางทางป่าออกเป็นไรนาสาโทคงยี้อาชีพหลักคือการทำนาเช่นเดิม ณที่บ้านโคกมนนี้เองที่เด็กชายบ่อบุตรชายคนหัวปีของสกุลแก้วสุวรรณได้ถือกําเนิดมาเป็นประดุลพญาช้างเผือกที่มีกําเนิดจากกลางไผ่ตึกทําให้ชื่อป่าที่เกิดของพญาช้างเผือก น, นั้นเป็นที่รู้รจักกระจายไปทั่วสารทิศฉันใดหลวงปู่ก็ทําให้ชื่อหมู่บ้านโคกมนบ้านที่เกิดของท่านเป็นที่รู้จักเป็นที่จาริก แ, แหวงบุญของบรรดาชาวพุทธทั่วประเทศฉะานนั้นตอนที่สองปฐมวัยชีวิตตอนเป็นเด็กของท่านนับว่ามีภาระเกินวัยด้วยเกิดมาเป็นบุตรหัวปีต้องมีหน้าที่ช่วยบิดามารดาทำงานในเรื่องสวนไร น, นาพร้อมทั้งต้องทำหน้าที่ที่ใหญ่ดูแลน้องๆหญิงชายทั้งสามด้วย บ้านโคกมนในปัจจุบันนี้แม้ว่าผู้เฒ่าผู้แก่ในบู่บ้านจะคุยให้เราฟังว่ามีความเจริญขึ้นกว่าเมื่อเจ็ดสิบแปดสิบปีก่อนอย่างหาที่เปรียบไม่ได้แต่ในสายตาของเราชาวกรุงก็ยังเห็นคงสภาพเป็นบ้านป่าชนบทอยู่มากดังนั้นหากจะลึกย้อนกลับไปสมัยที่ท่านยังเป็นเด็กเล็กอยู่นั้นณที่นั้นบ้านเกิดของท่าน ก็คงมีลักษณะเป็นบ้านป่าเขาที่น่าเห็นใจอย่างยิ่งสมาชิกทุกคนในครอบครัวต้องช่วยกันตัวเป็นเกลียวโดยไม่เลือกว่าผู้ใหญ่หรือเด็กสตระหว่างที่พวกผู้ใหญ่ต้องไถหวานปากกล้าดำนาเด็กเด็กก็ต้องเลี้ยงควายคอยส่งข้าวปลาอาหารเด็กโตหรือลูกผัวปีอย่างท่านก็ต้องช่วยในการไถปากกล้าดำนาด้วย ขนาดเดียวกันก็ต้องคอยดูแลน้องๆกลับจากทานาก็ต้องช่วยกันหาผักยญ้าหนอ่อหวายหน่อโจดหน่อบงหน่อไม้รู้จักว่ายอดอ่อนของต้นไม้ชนิดใดในป่าในท้องนาควรจะทำนำมาเป็นอาหารได้เช่นยอดดิวใบหมากเม่าผักกระโดนโดยมากเด็กชายบอ่อ จะพอใจช่วยบิดามารดาทางด้านเลื้อสวนไรนามากกว่ากล่าวคือจะช่วยเป็นภาระทางด้านเลี้ยงควายไถนาเกี่ยวข้าวหาผักหญ้าแต่ด้านการหาอาหารที่ต้องเกี่ยวเนื่องด้วยชีวิตผู้อื่นเช่นการจับปูปลาหากบเขียดมาเป็นอาหารประจำวันอย่างเด็กอื่นนั้นท่านไม่เต็มใจกระทำเลย ยิ่งการเล่นยิงนกกระรอกกระแตที่เด็กต่ตางๆเห็นเป็นของสนุกสนานนั้นท่านจะไม่ร่วมวงเล่นด้วยอย่างเด็ดขาดพูดง่ายๆท่านไม่มีนิสัยทางปานาภิบาตมาแต่เด็กนั่นเองความลำบากยากแค้นในการดำรงชีวิตขณะนั้นเป็นเช่นไรเราคงจะพออนุมานกันได้โดยในสมัยหลังเมื่อท่านและหลวงปู่หลุย มาคุยกันถึงการครองชีพที่จังหวัดเลยระยะที่ท่านทั้งสองเป็นเด็กเล็กซึ่งเมื่อบรรดาสิทธ์ได้ยินเข้าก็โอดที่จะนึกสงสารน้ำตาร่วงไปด้วยไม่ได้พวกเด็กๆต้องจับปูจับปลาในนาในห น, น, นองน้ำปลาเล็กปลาน้อยลูกกบเขียดใช้ได้เท่านั้นวันหนึ่งได้เขียดมาเพียงตัวเล็กๆ ก, ก็ต้องติ้งให้น้องๆกินโดยจัดแบ่ง เก็บไว้สำหรับบิดามารดาด้วยน้องๆยังเป็นเด็กเล็กไม่ต้องใช้แรงนานอะไรฉะนั้นจึงแบ่งให้เพียงขาเดียวไม่ใช่ไก่ไม่ใช่กบไม่ใช่ปลาตัวใหญ่โตอะไรแต่เป็นเขียตัวเล็กผอมกระเจิดร่อยดังนั้นเมื่อน้องๆได้รับส่วนแ่งเพียงเขียติ้งขาเดียวจึงร้องไห้หวอขอพี่ชายให้เพิ่มอีกโดยจะขอกินทั้งตัว แม้จะสงสารน้องๆใจจะขาดแต่พี่ชายใหญ่ก็ต้องฝืนใจทำไปดูเสียงแข็งจะกินล้างกินผาดอะไรกันถ้าเขียดทั้งตัวไม่ได้ขาเดียวพอแล้วปกติท่านเป็นเด็กที่ว่านอนสอนง่ายไม่เป็นที่หนักใจของบิดามารดาและเป็นคนไม่ชอบเล่นคลุกคลีกับหมู่คณะเพื่อนฝูงมีนิสัยเงียบขรึมมาแต่เล็กแต่น้อย ไม่ค่อยพูดเล่นหัวเพื่อนถามคำหนึ่งก็ตอบคำหนึ่งเล่นคนเดียวเงียบๆมากกว่าจะสนุกสนานเฮฮาถ้าหากจะมีการเล่นและคุยกับเพื่อนปูงบ้างก็มักชอบเล่นแต่กับเพื่อนที่มีอายุน้อยกว่าเล่นกว่าเสมอท่านแสดงนิสัยองค์อาจเด็ดเดียวมาแต่เด็กโดยไปไหนชอบไปคนเดียวไม่อสัยหมู่พวกซึ่งเป็นนิสัยองค์อาจเด็ดเดียว ที่ฝังตัวมาแต่เล็กแต่น้อยนั้นก็ได้ปรากฏชัดเจนในภายหลังเมื่อท่านเข้าสู่เพศของผ้ากาสาวพัดแล้วก็ออกเดินธุดงจาฤกษเแวงธรรมไปในป่าดงพงทึบแต่ลำพังองค์เดียวอย่างไม่หวั่นเกรงภัยอันตรายใดๆเหมือนกับพญาช้างสารที่ละโขงบริวารพอใจท่องเที่ยวไปในราวป่าอย่างโดดเดียวเดียวดายฉะนั้น ท่านใช้ชีวิตระหว่างเป็นเด็กอย่างปกติของเด็กชนบทในสมัยนั้นโดยเติบโตมากับทุ่งนาและท้องทุ่งไร่สวนการศึกษาในโรงเรียนนั้นไม่มีโอกาสเลยเพราะยังไม่มีโรงเรียนให้ความจริงเรียว่าแต่แถวบ้านโคกมนเมื่อเจ็ิกว่าปีก่อนจะไม่มีโรงเรียนเลยแม้แต่ในกรุงเทพมหานครพระนครหลวงของเมืองไทย ในช่วงเวลาเดียวกันนั้นก็ยังมีโรงเรียนเพียงไม่กี่แห่งแต่อย่างไรก็ดีเด็กชายบอกก็ยังสนใจในการศึกษาเล่าเรียนจนสามารถออกอ่านหนังสือออกและเขียนหนังสือได้บ้างซึ่งก็นับว่าเก่งพอใช้แล้วสำหรับเด็กชนบทในหมู่บ้านห่างไกลจังหวัดเช่นนั้นถ้าเราว่าความรู้ในการอ่านเรียนนี้ท่านเรียนได้มาจากพระพิสูจน์ในวัด ซึ่งทำให้ชีวิตของท่านคุณเคยกับวัดมาแต่เล็กตอนที่สามจิตโน้มนาวไปสู่ธรรมเมื่อท่านอายุครบ9ก้าขวบย่างขึ้นปีที่สิบโยมบิดาก็ถึงแก่กรรมมารดาแต่ผู้เดียวต้องทำหน้าที่หัวหน้าครอบครัวรับผิดชอบเลี้ยงดูลูกเล็กถึงสี่ปากสี่ท้องเด็กชายบ่อในฐานะพี่ชายคนโต ก็กลายเป็นผู้ชายที่มีอายุมากที่สุดแห่งบ้านไปโดดอัตโนมัติแม้จะมีอายุเพียงสิบขวบแต่เด็กชายบอกก็รู้คิดช่วยมารดาในกิจการงานทั้งปวงการใดซึ่งเคยเป็นหน้าที่ของพ่อบ้านเช่นงานออกแรงกลางแจ้งในด้านเลือกสวนไรนาท่านก็ไม่ได้ปล่อยให้ตกเป็นภาระของมารดาแต่ฝ่ายเดียวเด็กชายบอก ก็พยายามช่วยแบ่งเบาทำหน้าที่ผู้ชายแห่งบ้านไปด้วยขณะเดียวกันก็ต้องคอยดูแลน้องเล็กๆแทนมารดาด้วยความลำบากตรำตราในฐานะที่เป็นเด็กชนบทในหมู่บ้านห่างไกลความเจริญมีอยู่มากแล้วแต่ก็ยังถูกโชคเคราะ์กระหน่ำซ้าเติมอีกโดยให้ครอบครัวนี้ต้องขาดพ่อบ้านไปอีกจึงทาให้เด็กชายบอมีภาระเกินวัย ที่เป็นเด็กพูดน้อยอยู่แล้วก็ดูจะเพิ่มความเงียบผึมมากขึ้นไปอีกต่อมามารดาของท่านพิจารณาเห็นว่าที่ทางธรรมหากินที่บ้านโคกมูล น, นี้ยังขัดข้องอยู่ญาติพี่น้องของท่านที่ชอบเดินทางท่องเที่ยวมาส่งข่าวว่าได้พบถิ่นที่อุดมสมบูรณ์กว่าแล้วอยู่ไม่ห่างไกลจากบ้านโคกมลเท่าไรนักแต่เป็นคนละจังหวัดกัน คือที่จำบหเชียงพินอำเภอหมากแข้งจังหวัดอุดรธานีได้มีการเดินทางไปสำรวจแหล่งทำกินแห่งใหม่และปรึกษาหารือกันในกลุ่มญาติชนิดนิสหายแล้วตกลงที่จะอพยพเคลื่อนย้ายไปหาถิ่นทำเธรรมาหากินใหม่อีกครั้งหนึ่งท่านเล่าว่าการอพยพโยกย้ายทิ่ฐานบ้านช่องนั้นทม่ได้ไปกันตามลาพัง ครอบครัวหนึ่งครอบครัวใดอย่างดเดียวหากจะไปกันเป็นหมู่เป็นคณะอย่างที่สมัยโบราณเรียกกันว่าย้ายถิ่นหรือถอดไปแปลงเมืองสร้างบ้านกันทีเดียวการอพยพมาบ้านตำบลเชียงพินอำเภอมากแข่งนี้ครอบครัวของท่านอพยพมาพร้อมพวกครอบครัวที่ป้านอาอามากมายแต่ก็มีญาติพี่น้องอีกเป็นจำนวนมากเช่นกัน ที่ยังรักถิ่นฐานบ้านเรือนแห่งเก่าคงพอใจที่จะปักหลักอยู่ณบ้านโคกมนต่อไปดังเดิมดังนั้นแม้ต่อมาครอบครัวของหลวงปู่จะมาอยู่บ้านเชียงพินอำเภอหมากแขลังจังหวัดอุดรธานีแต่เด็กชายบอก็พอใจจะไปไปมามาระหว่างเชียงพินกับบ้านโคกมนอยู่ไม่ได้ขาดท่านเละาว่าท่านถือว่า ทั้งที่บ้านเชียงพินและบ้านโคกมนต่างถือได้ว่าเป็นบ้านของท่านบ้านที่เชียงพินก็ยังมีอยู่ญาติพี่น้องที่เชียงพินก็ยังมีอยู่มากและที่บ้านโคกมนญาติพี่น้องก็ยังมีอยู่มากเช่นเดียวกันระหว่างที่ไปไปมามารดาพากลับไปเยี่ยมญาติพี่น้องที่บ้านโคกมนนี้เองที่ชื่อของหลวงปู่เริ่มโน้มนาว ไปสู่ทางธรรมมากขึ้นและมีภาคกาสาวพัฒเป็นบานปลายแห่งชีวิตในภายหลังกล่าวคือปีนั้นท่านมีอายุได้14ปีแล้วได้มีพระธุดงค์กรรมฐานองค์หนึ่งจาริบไปปักกรดลุกขมูลอยู่ที่วัดบ้านกระกูแสใกล้บ้านท่านพระธุดงค์กรรมฐานองค์ น, งนั้นมีชื่อว่าพระอาจารย์พา เป็นสิทธิองค์หนึ่งของท่านพระอาจารย์มั่นภูริธธทัตเถระท่านเป็นพระที่มีจริยาวัรที่นุ่มนวลและเคร่งครัดในธรรมวินัยคนในบุบ้านรวมทั้งมารดาและญาติผู้ใหญ่ของหลวงปู่จึงมีความเลื่อมใสศรัทธาพากันไปปรณิบัติอุปถากภถวายกปิยะจังหันอยู่มิได้ขาดตัวท่านเองก็ปลอยติดตามโยมมารดาไปด้วย ในฐานะที่เป็นเด็กชายแรกรุ่นวัยกำลังใช้กำลังสอยจึงได้รับหน้าที่มอบหมายให้คอยปฏิบัติรับใช้พระประเคนของล้างบาทให้พระอาจารย์ทุกวันราวกับว่าพระอาจารย์พาจะตั้งใจไปโปรโดเด็กชายน้อยแห่งสกุลแก้วสุวรรณโดยเฉพาะท่านจึงปรากฏอยู่ใกล้หมู่บ้านนานพอดูจนกระทั่งเด็กชายน้อย เกิดความรู้สึกสนิทสนมคุ้นเคยกับท่านอาจารย์พาเป็นอย่างดีท่านสอนให้เด็กชายรู้จักของควรประเคนและไม่ควรประเคนเวลาว่างก็เมตตาต่อนหนังสือให้บ้างและอบรมการสรวดมนต์ภาวนาให้บ้างจิตของเด็กชายน้อยจึงโน้มนาวไปสู่ทางธรรมมากขึ้นทุกทีจนในที่สุดเมื่อพระอาจารย์พา เห็นนิสัยอันสงบเสงี่ยมเรียบร้อยฝากฝ่ายในทางธรรมของเด็กชายน้อยผู้นี้บ่มได้ที่แสดงนิสัยวัศนะตะกอนอย่างเพียงพอแล้วท่านก็ออกปากชวนไปบวช ด, ด้วยบวชกับเราไหมเด็กชายน้อยแห่งสกุลแก้วสุวรรณก็ตอบคําเดียวสั้นๆอย่างไม่ลังเลเลยว่าชอบครับท่านถามย้ำ บวชกับเราแน่หรือชอบครับเป็นคําตอบยืนยันอย่างเด็ดเดียวท่านจึงให้ไปขออนุญาตมารดาผู้ปกครองก่อนเมื่อลุงปู่ไปขอมลามารดาเพื่อจะตามพระอาจารย์ไปออกบวชมารดาทั้งประหลาดใจและตกใจรักคนกันประหลาดใจที่บุตรชายน้อยมีความคิดอาถรรพ์เด็ดเดียวใจคอจะทิ้งบ้านทิ้งอ้อมอ ก, อกแม่อาจอบ อ, อุ่น ถึงญาติที่น้องไปได้หรือตกใจที่ในวัยเพียงเท่านี้บุตรชายน้อยจะต้องจากบ้านเดินทางไปถิ่นทางไกลอันลำบากยากแค้ลำเคนเหมือนกับคนไร้ญาติขาดมิตรอย่างไรก็ดีท่านก็ยังพออุ่นใจได้บ้างว่าบุตรชายน้อยของท่านคงจะได้รับความคุ้มครองดูแลจากท่านอาจารย์พาเป็นอย่างดีแต่ที่จะไม่ให้ห่วง หาอะไรเลยนั้นคงเป็นไปไม่ได้อีกทั้งมารดาก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าลูกของท่านจะมีความตั้งใจแน่วแน่มันคงแค่ไหนจึงถามย้ำแล้วย้ำอีกจะบวชไหมจะบวชแน่หรือทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นคำถามจากมารดา ก, ก็ดีจากญาติผู้ใหญ่ผู้ทราบเรื่องก็ตกใจมาช่วยกันสักสายไล่เรียงก็ดีทุกครั้งจะได้รับคำยืนยัน อย่างหนักแน่นมั่นคงจากเด็กชายน้อยว่าชอบครับทุกคราวไปดังนั้นในเวลาต่อมาชื่อเด็กชายบอกจึงกลายเป็นเด็กชายชอบด้วยประการชนีตอนที่สี่เริ่มชีวิตเป็นพระข่าวน้อยเมื่อเด็กผู้ชายผู้ชอบบวชลาโยมันดาและญาติผู้ใหญ่ได้แล้วก็ออกจากบ้านโคกมนติดตามพระอาจารย์พา ไปทุกผลทุกแห่งสุดแต่ท่านจะพาไปหลวงปู่เล่าว่าท่านเป็นตาพระขาวหรือพระขาวน้อยถือศีลแปดอยู่กับอาจารย์สี่ปีเต็มรับการฝึกฝนอบรมทั้งด้านข้อวัดปฏิบัติต่างๆเช่นการปรนิบัติรับใช้ครูบาอาจารย์หัดล้างเทา้าเช็ดเทา้าในเวลาท่านกลับจากบินทบาทหัดพักผ้าจีวรและสังขาติ และภาพปูนิสีธนะหัดปากน้ำกรองน้ำถวายท่านทั้งการท่องบนสวดมนบริกรรมภาวนาและเดินจงกรมท่านได้ออกเดินรุกขมูลติดตามอาจารย์ไปอย่างทรหยอดทนไม่ว่าจะเป็นการบุกน้ำลุยโคลนบุกป่าป่าดงขึ้นเขาลงห้วยพะข่าวน้อยก็ไม่ได้ย่อท้อโดยสภาพป่าดงพงพัย อันลำบากลาเค็นในเวลากลางวันโดยสภาพปากขาวรกชัดอันสัญญาเงียบน่าสยองกลัวในเวลากลางคืนท่านก็ได้ผ่านการทดสอบมาโดยตลอดท่านสารภาพว่าสำหรับความลำบากความหวาดกลัวแรกเริ่มก็มีบ้างแต่ก็ต้องพยายามอดทนด้วยความเคารพเชื่อฟังเห็นตัวอย่างจากขั้นอาจารย์ความลำบากท่านทนได้ ทำไมเราจะทนไม่ได้ความน่าหวาดกลัวท่านอยู่ได้ทำไมเราจะอยู่ไม่ได้อย่างท่านข่าน้อยก็นึกข่มใจอยู่เช่นนี้เสมอส่วนความคิดถึงบ้านคิดถึงมารดายายปีน้องเพื่อนฝูงตามประษาเด็กนั้นไม่ใช่ไม่เคยมีบางการเวลาบางวาระเย็นค่ำโปลเพ เห็นนกกาบินกลับลวงลังก็เคยคิดเกิดความรู้สึกวังเวงชเง้อหาบ้านหาแม่บ้านแต่ท่านก็นึกถึงความเมตตาของครูอาจารย์นึกถึงความสุขสงบในการภาวนามาข่มความคิดถึงเหล่านั้นเสียใจมันชอบภาวนาท่านเล่ามีความสงบเยือกเย็นดีอีกประการหนึ่งท่านก็คิดปลอบใจตัวเองว่า ถ้าเราติดตามท่านอาจารย์ไปพบความลำบาเกเพียงแค่นี้ว่าเป็นทุกข์แต่ท่านอาจารย์ได้ทรำสอนเราว่านี่เป็นหนทางที่จะให้พ้นทุกข์ต่างหากทุก์ใหญ่ของมนุษย์และสัตว์โลกนั้นท่านว่าอยู่ที่การเวียนว่ายตายเกิดปราดจะต้องทำตนให้พ้นจากทุกใหญ่นี้เราเป็นเด็กเรายังไม่รู้จักชัดว่าทุกใหญ่นี้เป็นจริงชันใด แต่ทุกที่เราเห็นนั้นก็มีชัดอยู่แล้วถ้าเราจะยังอยู่กับบ้านติดบ้านติดเพื่อนติดญาติติดพี่น้องไม่ติดตามท่านออกไปสแสวงหาหนทางพ้นทุกทุกที่เราเห็นชัดของเราเองนั้นเราจะมีวันหลุดพ้นไปได้อย่างไรทุกที่เด็กชายน้อยแห่งสกุลแก้วสุวรรณหรือพระเขาวน้อยสิทธิ์พระอาจารย์พาได้เห็นชัดด้วยความรู้สึก เห็นจริงของท่านเองนั้นก็คือทุกข์ที่ท่านเห็นจากครอบครัวจากพ่อแม่ญาติพี่น้องและจากตัวเองทุกข์ที่ต้องอยู่อย่างจนยา ก, ก, กตรำต้องทํานาทําไร่หากินตัวเป็นเกลียวอย่างไรก็ไม่เห็นเงยหน้าอ้าปากได้เมื่ออายุเจ็ดขวบถ้าเป็นเด็กชาวกรุงก็คงจะทําอะไรไม่เป็นต้องมีพี่เลี้ยงนางนมช่วยเหลือ ทั้งการกินการอยู่การแต่งตัวอย่างมดไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอมแต่สำหรับเด็กชายน้อยแห่งสกุลแก้วสุวรรณวัยเจ็ดปีได้ทำให้เป็นผู้ใหญ่เกินตัวท่านลวะว่าใจของท่านที่จะขอมีส่วนช่วยบิดามารดาหารายได้จึงอาสาหาที่ครั่งไปขายโดยเดินทางร่วมขบวนไปกับหมู่ พวกที่เตรียมสินค้าไปขายที่จังหวัดอุดรไม่มีใครบังคับไม่ใครใช้สอยว่หวานแต่อยากไปเองด้วยปรารถนาจะให้บิดามารดาชื่นใจในความมีน้ำใจของบุตรชายคนโตท่านจำได้ว่าทีค่ครั่องนั้นหนักมากหนักถึงกว่าสิบกิโลกรัมซึ่งเป็นน้ำหนักที่มากมิใช่น้อยสำหรับเด็กชายวัยจขวบเมื่อต้องรอนแรม เดินทางจากบ้านโคกมนไปถึงเก้าวันเก้าคืนกว่าจะถึงอุดรบาดสองข้างจึงระบมแปดเป็นแผลหมดท่นเลาว่าเดินทางไปขายที่ข้างนี้ร่วมปีเก็บเงินได้ถึงหกบาทเด็กชายน้อยภูมบกภูมใจมากที่สามารถช่วยหารายได้ให้ครอบครัวได้ด้วยเงินหกบาทนี้ท่านสามารถซื้อกวายให้ทางบ้านได้ถึงห้าตัว ด้วยในสมัยที่ท่านเป็นเด็กนั้นควายทางอีสาน ร, ราคาถูกมากตัวละห้าสิบสตางค์ถึงหนึ่งบาทเท่านั้นบางทีสินค้าที่ครั่งมีคนแย่งขายล้นตลาดเด็กชายน้อยเลือกหาสินค้าชิดอื่นมาแทนเช่นยาสูบไม้ขีดหรือขี้ใต้บางโอกาสไปไม่ถึงตัวจังหวัดด้วยเหนือนนะ่อยหนักพักขายได้แค่หนองบรวลปูก็พอแล้ว ท่านรู้สึกถึงใจว่าเงินทองนั้นหายากแท้ต้องอาบเหงื่อตาน้ําอดทนกัดฟันสู้ตลอดมายิ่งโยมบิดาสิ้นชีวิตลงการช่วยมารดาทำมาหากินจึงทําให้ท่านรู้สึกชัดขึ้นชีวิตมนุษย์เกิดมาเพื่ออะไรเกิดมาเพื่อจะทํางานเวียนวนอยู่เช่นนี้หรือเช้าขึ้นต้องออกไปไร่ออกไปนา ก่อนจะเป็นนาก็ต้องหักร้างทา ง, งคงขุดเผาต้นไม้ต่อไม้ตกแต่งให้เป็นคูเป็นคันนาเมื่อเป็นนาแล้วถึงหน้านาต้องไถคราดกลับดินให้หญ้าตายกอดต่อไปต้องไถอีกครั้งคราดให้ดินแตกพอที่จะหว่านเม็ดข้าวตกกล้าพอต้นกล้าใดโตได้ที่ก็ต้องเก็บกล้าไปปักกล้าดำนา ขายน้ําเข้ามาในนาให้มีน้ําหล่อเลี้ยงต้นกล้าให้เติบใหญ่ระหว่างต้นข้าวเติบโตออกรวงตั้งทอนอ่อนก็ต้องคอยระวังศัตรูข้าวเช่นเพรยปูที่จะมากัดกินต้นข้าวข้าวแก่รวงคล่อมคล่อมลงต้องคอยขายน้ําออกจากนาให้นาแห้งเพื่อเวลาข้าวแก่จะได้ไม่ตกท้องน้ําระหว่างรอ ข้าวแก่ไม่ใช่ว่าจะสะดวกสบายมีเวลาเพลิดเพลินเจริญใจได้เที้ยเตรกลับต้องมีงานไร้ที่จะต้องดูแลต่อไปปลูกผักผลไม้เผาถ่านบางปีฝนดีน้ำดีก็ได้ข้าวมากหน่อยพอกินพอเหลือขายบางปีฝนแรงน้ำน้อยข้าวเสียหายแทบจะไม่พอกินพวกผู้คนในหมู่บ้านต้องออกไปหา ทางธรมมาหากินอย่างอื่นเป็นการเพิ่มพูนรายได้บ้านไปเป็นคนรับใช้คนสวนในเมืองหลวงบางกลุ่มก็ต้อนวัวต้อนควายไปขายแต่ก็เป็นการธรมาหากินที่เบียดเบียนชีวิตเขาซึ่งท่านอาจารย์สอนนักสอนหนาว่าไม่ถูกต้องผิดศีลทำให้ทุกข์ในการเวียนว่ายตายเกิดหักหนาเข้าไปอีกปีหนึ่ง แทบจะไม่มีเวลาหยุดพักผ่อนหายใจถึงเวลาข้าวแก่ทุกคนในครอบครัวต้องช่วยกันผู้ที่จากไปทำมาหากินเพิ่มพูนรายได้ในต่างเมืองก็ต้องกลับมาช่วยกันลงแขกเกี่ยวข้าวนวดข้าวฝัดข้าวสีข้าวกว่าจะเป็นข้าวเปลือกกว่าจะเป็นข้าวสารสิ้นหยาดเหงือ้อสิ้นแรงคนเวียนวนกันทั้งเดือนทั้งปีทั้งชีวิต ก็ไม่รู้จักจบสิ้นเกิดแล้วก็แก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายโยมพ่อของเราก็ตายไปแล้วเรายังเป็นเด็กอยู่เคยเลี้ยงควายช่วยบิดามารดาทําไร่ไถนาแต่ต่อไปถ้ายังติดข้องอยู่อย่างนี้ก็คงไม่พ้นเติบโตไปต้องเข้าเทียมแอกเทียมไถแห่งชีวิตหมุนวนอยู่รอบกองทุกชินี้ อย่างไม่มีวันหยุดยัง้งเหมือนควายที่เมื่อเราเลี้ยงก็ปักหลักไว้ในนาปล่อยสายเชือกที่ฟันเหนียวให้ยาวเพียงระยะหนึ่งมันจะกินหญ้ากินน้ำจะถ่ายจะเล่นปรับโคลนก็เวียนวนอยู่นในระยะความยาวของเชือกหนังนั้นดูเปินเพินเหมือนว่ามันมีอิสระเสรีแต่ความจริงมันมีวงชีวิตจากัดอยู่รอบเสาหลักนั้น เท่านั้นจะฟันฝ่าออกไปให้หลุดพ้นก็ดีนเฉียงกระดึงดังมนุษย์ผู้เป็นนายก็จะมาขันเชือกชนะให้ปลายแน่นไปอีกเราเป็นมนุษย์ประเสริฐกว่าสัตว์ทำไมจะยอมอยู่ในวงวัฏฏะแค่ปลายเชือกควายที่เราเห็นเป็นตัวอย่างอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันเราจะต้องหลุดจักกองทุกข์ให้ได้คำหนึ่งได้เช่นนี้ทุกที่มารดา ญาติพี่น้องหวั่นเพลงว่าพระเขาวน้อยจะไม่มีความอดทนเพียงพอจึงดูเป็นเรื่องเล็กน้อยไปทั้งสิ้นใจมันกระยินที่จะข้ามล่วงวงทุกนี้ไปให้จงได้ท่านมีความเคารพท่านพระอาจารย์พาอย่างสุดซึ้งพยายามปรนิบัติวัดฐานด้วยความนอบน้อมผอมตนท่านสอนเช่นไรก็พยายามจดจำนำไปปฏิบัติ โดยเฉพาะด้านการบะเพ็ญเพียรภาวนาเมื่ อ, อยุครบสิบแปดีอาจารย์ของท่านพิจารณาเห็นว่าพระขาาน้อยผู้นี้มีใจแน่วแน่มั่นคงในทางศาสนาและได้ฝึกฝนอบรมบ่มนิสัยเพียงพอแก่การแล้วจึงออกปากอนุ ญ, ญาตให้บรรพชาเป็นสัมมนเนนได้ตอนที่ห้าทดสอบก่อนออกบวชสมควร จะกล่าวแทรกไว้ในที่นี้ด้วยว่าแม้ว่าขณะนั้นจิตใจของท่านจะมุ่งมั่นไปสู่แดนภากางสาวพัดแล้วก็ตามแต่ท่านก็เป็นผู้มีความรอบครอบอยู่มากระหว่างใจหนึ่งนด้คือเหมิว่าเราชอบบวชเราชอบอยู่ในธรรมวินยัยเราจะเจริญรอยตามท่านอาจารย์ของเราเราจะบวชเพื่อข้ามกองทุกข์เราจะบวชไม่สึก เราเชื่อว่าเรามีใจแน่วแน่ต่อพระศาสนาอย่างมั่นคงแต่อีกใจหนึ่งอันเป็นวิสัยของปราชญผู้ชาญฉลาดมีความรอบคอบระมัดระวังก็กล่าวเตือนใจตัวเองว่าท่านอาจารย์ของเราสอนว่าจิตของมนุษย์เรานั้นกลับกรอกเชื่อยากวันนี้เราว่าเราจะบวชแน่นอนจะบวชไม่สึก แต่เราก็ออกมาสู่ร่มเงาของศาสนาตะเล็กแทบจะไม่ได้เคยพบเห็นชีวิตตามปกติของคาราวะวิสัยของคนหนุ่มสาวถ้าเราบวชไปแล้วกลับไปพบสิ่งยั่วยวนชวนกิเลสให้มันยอกย้อนสอนโกนเอาเล่าเราจะทำชันใดเราไม่ถูกมันรุกลำ้ำกระนำเอาจนงอหัวไม่ขึ้นหรือถ้าเราว่าดังนั้น ก่อนที่จะโปร่งชีวิตจู่เพศโรมอาจา ร, รย์ระหว่างเป็นพระขาวท่านจึงเรียนขออนุญาตพระอาจารย์ของท่านกลับมาบ้านชั่วคราวขอใช้ชีวิตคารวะเป็นการทดสอบความมั่นคงของจิตใจให้แน่นอนก่อนท่านได้กลับมาทดลองใช้ชีวิตสนุกสนานกับเพื่อนรุ่นเรา่ากล่าวเดียวกันระยะหนึ่งคนหนุ่มคนสาวเขาสนุกสนานรื่มเริงกันอย่างไรก็ขอลองตามเขาดูบ้าง ว่าเราจะหลงหัวปากหัวปาไปกับเขาไหมหรือว่าต่อไปห่างบทแล้วเกิดมีกิเลสกล่ามกลายมาเรารำลึกได้ว่าเคยผ่านมาแล้วเราเคยปล่อยสลัสลัดตัวขาดมันไปแล้วเราจะไปหวนหาอะไรมันได้อย่างไรสมัยนั้นเป็นที่นิยมกันว่าเด็กหนุ่มๆจะต้องมีรอยสัตตามแขนตามขาเป็นลายดำาจึงจะถือว่า เป็นชายชาตรีใครตัวขาวเปล่าเปลือยไม่มีรอยสักดำปวดกันก็ถือว่าไม่ใช่ชายผู้สาวจะไม่สนใจผู้สาวจะไม่ฮัดเพื่อนฝูก็หนุนว่าท่านต้องสักว่านด้วยไม่งั้นผู้สาวไม่ฮัตเดอ้อท่านเล่าว่าท่านก็เลยตามใจเพื่อนยอมไปสักว่านกับเขาบ้างที่แขนและขาตกลงข้าจ้างกันว่า ให้สัก์เป็นตัวมอมคลายราชสีที่ขาทั้งสองข้างข้างละหนึ่งตัวเขาคิดขค่จ้างหนึ่งบาทเงินหนึ่งบาทสมัยเมื่อเกือบเจ็ดสิบปีที่แล้วเป็นจำนวนเงินที่ไม่ใช่น้อยแต่เด็กหนุ่มชอบก็ยินยอมทดลองดูท่านให้สัตว์เสร็จไปขาข้างเดียวคือขาข้างซ้ายพอเริ่มสัตว์ขาขวาต่อไปได้นิดเดียวก็รู้สึกเจ็บขึ้นมาเห็นว่า เราจะไปทนเจ็บทำไมเพื่ออะไรเพื่อที่เขาเห็นเขานิยมว่าเพื่อกโก้เพื่อรู้นี่หรือที่จริงมันเป็นของที่ไม่เป็นแขนสารไม่เป็นสาระทัางหากท่านก็เลยให้หยุดจากวาดต่อคงสักขาลายเจ็ดไปเพียงคาเดียวและเสียค่าจ้างเพียงห้าสิบสตางค์เท่านั้นเพื่อทดสอบจิตใจต่อท่านก็ลองตามกลุ่มเพื่อนไปเที่ยวบ้าง เห็นเขาไปเที่ยวสวนเสเฮหาคุยหยอกล้อ ก, กันตามบ้านผู้สาวท่านก็ไปตามกับกลุ่มเพื่อนประเพณีแถบอีสานมีการแอลสาวจบสาวซึ่งหมายความว่าไปร่วมเกิดสาวก็จะมีบทปรับผีเสียผีซึ่งบางรายก็อาจจะจบลงด้วยการแต่งงานอยู่กินกันได้อย่างไรก็ดีหลวงปู่เมื่อเป็นเด็กชายวัยเจ็ดปีกว่า ก็ได้ลองล้นชีวิตเด็กหนุ่มกับเขาบ้างเหมือนกันท่านเล่าอย่างคันคันว่าท่านก็ได้ตามเพื่อนไปแอวสาวไปจกสาวไปล่วงเกินเขาตามอย่างเพื่อนแต่เขาว่าท่านไปล่วงเกินเขาเขาจะเอามีดฟันหัวเอาโอ้ชีวิตคารวาดมันเป็นทุกอย่างนี้เองมันขัดขอ้องวุ่นวายอย่างนี้เองไม่เห็นเป็นสาระแก่นสารแต่อย่างใดเลย ไม่มีทางที่เราจะยินดีกับชีวิตที่หมกมุ่นวุ่นวายจมกองมูดกองคูดอย่างนี้แน่นอนแน่ใจตนเองเช่นนั้นท่านก็กลับไปกราบท่านอาจารย์ของท่านด้วยความลำยองออนแผ่วใช้ชีวิตพระขาวต่อไปอย่างมองเห็นธงชัยในชีวิตเพศบรรปชิตอยู่เบื้องหน้าตอนที่6สู่เภทพรมจรันทร์ เมื่อท่านอายุย่างเข้าสิบเกปีท่านพระอาจารย์พาก็จัดการดูแลให้พระขาวสิทธิรักได้บรรพชาเป็นสนนนามเณรณวัดบ้านนาแกบ้านนากลางอเภหนองบัวลำพูจัังหวดอุดรธานีด้วยเป็นวัดใกล้บ้านกับที่ลุงของท่านผู้เป็นพี่ชายโยมมารดามีหลักฐานบ้านช่องอัฐบริการนั้นโยมมารดาและยาย ช่วยการจัดหาให้ได้ด้วยความศรัทธาท่านใช้ชีวิตระหว่างเป็นสนัมมาณีอยู่ถึงสี่ปีกว่าโดยท่านอาจารย์พาไม่ได้หวงแหนให้ศิษศึกษาอบรมอยู่กับท่านแต่ผู้เดียวท่านได้ให้สิทธิ์ปรักออกไปศึกษาธรรมกับครูบาอาจารย์ตามสำนักต่างๆเพิ่มเติมเพื่อมีความรู้แตกฉานกว้างกวางขึ้นหลวงปู่จึงได้มีโอกาสไป กลาวเรียนข้อปฏิบัติกับพระอาจารย์องค์อื่นบ้างเช่นพระอาจารย์สุวรรณสุจินโนวัดโยธานิมิตเป็นอาทิครั้นท่านมีอายุครบ23ปีบริบูรณ์จึงได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุณวัดสางโคซึ่งปัจจุบันมีชื่อว่าวัดศีธรรมารามอำเภอเมืองยะโสธรซึ่งขณะนั้นยังเป็นอำเภอหนึ่ง อยู่ในจังหวัดอุบลราชธานียังไม่ได้ตั้งขึ้นเป็นจังหวัดแยโสธรเช่นทุกวันนี้หลวงปู่บวชเมื่อวันที่21มีนาคมพุทธศักราช2467มีพระครูวิจิตยโสธนาจารย์เป็นพระอุปัชฌายะพระอาจารย์แดงเป็นพระกรรมวาจาจารย์ได้รับฉายาว่าผานสสโม ท่านเมตตาเล่าให้ฟังว่าท่านมิได้มีนิสัยสนใจทางการศึกษาด้านปริยธรรมมากนักแม้การท่องปฏิโมกนั้นท่านใช้เวลาเรียนท่องถึงเจ็ดปีจึงจำได้หมดรู้ความแต่ไม่ได้ท่องจำท่านเล่าเมื่อกาเรียนถามว่าเหตุใดหลวงปู่จึงใช้เวลานานนักท่านจึงตอบอย่างขันขันว่านานๆท่องเถื่หนึง บางทีก็สองเดือนท่องเทือนหนึ่งบางทีก็สามเดือนท่องเทือนหนึง่งสนใจภาวนามากกว่าท่านสารภาพว่าท่านดื่มดำในการภาวนามากท่านใช้คำบริกรรมพุทโธอย่างเดียวไม่ได้ใช้อานาปานสติหรือกำหนดลมหายใจเข้าออกควบคู่กับพุทโธเลยอันที่จริงเพียงคำบริกรรมพุทโธอย่างเดียว ก็นับว่าเป็นการเพียงพอแล้วสำหรับอภิบุคคลใช่หลวงปู่ท่านบริกรรมไม่นานจิตก็รวมลงสู่ความสงบให้ความรู้สึกดูดเดิมหลึกซึ้งในความสงบอย่างบอกไม่ถูกสิ่งที่ไม่เคยเห็นก็ได้เห็นสิ่งที่ไม่เคยรู้ก็ได้รู้สิ่งที่เป็นของอาศะธารณะแก่ปุทุชนธรรมดาก็กลับปากฏขึ้น เป็นที่น่าอัศจรรย์อย่างยิ่งท่านละว่าจิตของท่านรวมลงสู่ความสงบได้โดยง่ายมากและเกิดความรู้พิดารการนี้เริ่มปรากฏแก่ท่านตั้งแต่ขณะที่ท่านยังเป็นสัมมณียอยู่ท่านสามารถมองเห็นจิน่งต่างๆที่แปลกลึกลับได้ดีเกิดกว่าสายตามนุษย์สามัญจะรู้เห็นได้ได้ร่วงรู้ความคิดความนึ ก, นกในจิตใจของผู้อื่น ไม่ได้นึกอยากเห็นก็เห็นขึ้นมาเองไม่ได้นึกอยากรู้ก็รู้ขึ้นมาเองรวมทั้งการรู้เห็นสิ่งแปลกๆเช่นพวกกายทิพย์คือเทวบุตรเทวธิดาอินพรหมโยมยักษ์นาครดหรือการรู้วาระจิตคนอื่นที่เขาคิดเขานึกอยู่ในใจก็สามารถได้ยินชัดสิ่งเหล่านี้แร ก, แรก ท่านก็ทั้งตกใจทั้งประหลาดใจแต่เมื่อเป็นมารยะหนึ่งได้รู้ว่าอะไรคือความจริงอะไรคือภาพนิมิตก็ระ ง, งับสติได้มีสติว่านี่เป็นเรื่องพิสดารแต่ไม่ควรจะให้ความสนใจมากนักนี่เป็นเหตุนหนึ่งที่เมื่อได้บวชเป็นพิสุธแล้วท่านก็บากบัตรมุ่งมั่นต่อไปในแดนพุทธานาจักรอย่างไม่ย่อทอ้อ ครูบาอาจารย์ก็ช่วยความมั่นใจว่าเมื่อท่านเป็นผู้มีนิสัยวาสนาทางนี้แล้วก็ควรจะเร่งทำความภาคเปลียนต่อไปไม่ควรให้ความสนใจต่อสิ่งที่เป็นเหมือนแขกภายนอกเหล่านี้อย่านึกว่าตนเป็นผู้พิเศษผู้เก่ง ก, กล้าอะไรผู้ใดมีวาสนาบารมีสร้างสมอบรมมาอย่างไรก็จะเป็นไปอย่างนั้นเปรียบเสมือน การปลูกต้นไม้ผ ล, ลไม้หากเรานำเอาเมล็ดมะม่วงมาเพาะปลูกลงดินรดน้ำรวนดินใส่ปุ๋ยบำรุงต้นไม้นั้นไปวันหนึ่งก็จะออกดอกออกช่อให้ผลเป็นนะม่วงจะกลายเป็นมะปรางหรือมะไฟก็หาไม่ได้หรือผู้ที่ไม่เคยเพาะเมล็ดมะม่วงไม่เคยปลูกมะม่วงแต่จะนั่งกระดิกเท้ารอให้เกิดต้นมะม่วง มีผลนมุ่งขึ้นมาเองก็ไม่ได้เช่นเดียวกันท่านเป็นผู้มีวาสนาบารมีทำสร้างสมอบรมมาแต่บรรพชาติที่จึงเกลียงไกรมีอนุภาพแต่ก็ควรจะประมาณตนอยู่เพราะความรู้สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่จุดมุ่งหมายปลายทางของผู้กระทความเพียรภาวนานักปราชญ์จะไม่มัวเมาหลงงมงาย อยู่กับความรู้ภายนอกอันเป็นโลกียะอภิญญาจุดหมายปลายทางของปวงปราดราชบัณฑิตนั้นอยู่ที่การกำจัดอาสวะกิเลสที่หมักดองอยู่ในกมนลนสันดานของเราให้หมดไปสิ้นไปโดยไม่เหลือแม้แต่เชื้อต่างหากหลวงปู่ได้น้อมรับคำสั่งสอนเตือนสติของครูบาอาจารย์ด้วยความเคารพแม้หมู่พวกเพื่อน จะมีความเกรงใจท่านอยู่มากแต่ท่านก็มีความเสียเงียมเจียมตัวไม่ได้นึกเออเหอมิมอวดตัวแต่ประการใดระยะแรกๆท่านเต็มไปด้วยความระมัดระวังตัวด้วยไม่แน่ใจว่าบางครั้งภาพที่ปรากฏให้ท่านเห็นนั้นจะมีผู้อื่นเห็นเหมือนกับท่านหรือไม่หากเขาปรากฏให้ท่านเห็นเพียงผู้เดียวการทักทายปลาใส ซื้อสนทนาก็อาจทําให้ถูกมองเหมือนเป็นคนบ้าคนประหลาดพูดคุยคนเดียวก็ได้ท่านจริงเป็นผู้เงียบสงบไม่ค่อยพูดคุยสุงสิงกับใครมากนักโดยได้ใช้ภาษาใจได้อย่างเป็นประโยชน์มากกว่าอย่างไรก็ดีต่อมาท่านก็ชํานาญในการนี้มากขึ้นจนได้รู้ทันทีว่านี่เป็นลิมิตหรือไม่แต่ในขณะเดียวกันนั้น ท่านก็คิดหมายมากว่าท่านจะต้องเร่งโอกาสความเพียรพยายามต่อไปโดยไม่ประมาทตอนที่เจ็ดได้พบกัลยาณมิตรแม้จะเป็นนวกระพิสุคือพิสุบวชใหม่แต่หลวงปู่ก็ได้ผ่านชีวิตการทุดงมาหลายปีแล้วเริ่มแต่ระยะที่ท่านอาจารย์ของท่านพาดำเนินมาในฐานะพระขาวน้อยสี่ปี และต่อมาในฐานะสัมมเนรอีกสี่ปีฉะนั้นเมื่อบวชแล้วอยู่รับการอบรมจากพระอุปชายยะและพระกรรมวาจาจารย์ให้รู้จักพระธรรมวินัยให้พอรักษาตัวได้ใกล้จะถึงเวลาเข้าพรรษาภรรษาแรกพุทธศักราช2468ท่านจึงขอต่ออุปชายยะไปจำพรรษาอยู่ณวัดป่านาคำใหญ่ ซึ่งเป็นวัดป่าเหมาะแก่การบําเพ็ญเพียรมากกว่าแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้อยู่ห่างไกลจากวัดสามโคกที่พระอุปชายย์ของท่านอยู่จำพรรณาณ์เพราะต่างอยู่ในเขตอำเภอแย่โสอรด้วยกันออกภรรษาแล้วท่านกอ่อพุดโไปตามป่าเขาใกล้เคียงถึงปัญหาที่สองพุทธศักราช 2,469 ท่านไปจํารรษาที่ วัดศรีมงคลเหนืออำเภอมุกดาหารจังหวัดนครพนมซึ่งปัจจุบันนี้ได้แยกเป็นจังหวัดมุกดาหารแล้วระยะนี้ญาติพี่น้องโดยเฉพาะโยมมานดาได้ขอร้องให้ท่านมาโปรโดบรรดาญาติบ้างดังนั้นในพันษาที่สพุทธศักราช2470หลวงปู่จึงได้เดินทางกลับมาจังหวัดอุดรธา น, านีมาจากพรรษา ยูนวัดป่าหนองบัวบานอำเภอเมืองซึ่งไม่ไกลจากตำบลเชียงพินบ้านที่อยู่ของบรรดาญาติพี่น้องของท่านเท่าใดนักวัดป่าหนองบัวบานนี้เป็นวัดเก่าแก่อยู่ริมหนองน้ําใหญ่แต่ไม่ใช่วัดเดียวกับวัดป่าพิโครทารามบ้านหนองบัวบานที่ลุงปู่อ่อนญาณาิริเพื่อจัดทำมิฐของท่านสร้างในภายหลัง